1.40, 140. ่ทเววาจิกาทิปะวารนาว่าด้วยสงประวรณาสองหนเป็นต้นเรื่องชาวป่าข้อ234สมัยนั้นนะอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในวันประวรณานั้นมีชาวป่ามาพลุกพลานพิสูุ์ทั้งหลายไม่อาจประวรณาสามหนจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปวารณามีพรรษาเท่ากันเรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสว่างสมัยนั้นณนะอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นชาวบ้านมัวให้ทานจนราตรีจวนสว่างครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าชาวบ้านมัวให้ทานจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจักปวารณาสามหนไซ ส, สงจัก ปรนน่าไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตีก็จักสว่างพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรนน่านั้นชาวบ้านให้ทานจนราตีสว่างถ้าภิกษุทั้งหลายในอาวาานั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าชาวบ้านมัวให้ทานจนราตีจวนสว่าง ถ้าสงจกักภาวนาสามหนไซสงจักปภาวณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าชาวบ้านให้ทันจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจกักภาวนาสามหนไซสงจกักภารณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างถ้าสงพร้อมกันแล้วสง พึงปวารณาสองหปนปวารณาหนเดียวปวารณามีพรรษาเท่ากันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวทำกันภิกษุผู้ชำนาญพระสูตก็สาธยายพระสูตรกันพระวินัยทรก็วินิจฉัยพระวินัยกันพระธรรมเมื่อกระถึกก็สนทนาธรรมกันพิกษุทั้งหลายทะเลาะ ก, กันจนราตรีจวนสว่าง ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจักปรวรณาสามหนไซสงจักปรวรณาไม่ทันเมื <ME> ่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่างถ้าสงจักปรวรณาสามหนไซสงจักปรวรณาไม่ทัน เมื่อเป็นเช่นนี้ราตีก็จักสว่างถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปรวราณาสองหนปรวราณาหนเดียวปรวราณามีพรรษาเท่ากันเรื่องปรวราณาขณะที่ฝนตั้งเขาสมัยนั้นณนะอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในวันปรวราณานั้นภิกษุสงมาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่า ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจากปรวรรณาสามหนไซสงจากปรวรรณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝนก็จะตกเสียก่อนพวกเราจะพึ่งปฏิบัติอย่างไรหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงส า, าบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้น ภิกษุสงมาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าภิกษุสงมาประชุมกันมากที่ประชุมจึงคับแคบคุ้มฝนไม่ได้และฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจักปรณนาสามหนไซสงก็จัดปรนนาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝนก็จะตกเสียก่อนภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมากที่ประชุมก็คับแคบคุ้มฝนไม่ได้ทั้งฝนก็ตั้งเขาใหญ่ถ้าสงจักปรนนาสามหนไซสงก็จักป ร, ราณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้ราตรีก็จักสว่างถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปรวราณนาสองหนป ร, ราณาหนเดียวป ร, วราณามีพรรษาเท่ากัน เรื่องปวารณาเมื่อมีอันตรายสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้น 1. พระราชาเสด็จมา 2. โจรมาปล้นสไฟไหม้สน้ำหลากมา 5. คนมามาก 6. พผีเข้าสิงภิกษุ 7. สัตว์ ร, ร้ายเข้ามา 8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 9. ภิกษุจะถึงแก่ชีวิตสิบ มีอันตรายต่อโภมจันทร์ในอันตรายนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าเหตุนี้แหละคืออันตรายต่อโภมจันทร์ถ้าสงจักปรนนาสามหนไซสงจักปรณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายต่อโภมจันทร์ก็จะเกิดเสียก่อนภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าท่านผู้จเจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเหตุนี้แหละคืออันตรายต่อโภมจันทร์ ถ้าสงจักปรวราณาสามหนไซสงจักปรวราณาไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายต่อพรหมจันทร์ก็จะเกิดเสียก่อนถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงปรวราณาสองหนปรวราณาหนเดียวปรวราณามีพันษาเท่ากัน